เอาใหม่ใหม่อาามงีเวลาที่เราง้าเนี่ยเราความอเรารู้ว่าเราอยาจะได้รู้สึกแค่ความรู้สึกว่าเราอยากสมเนี่ยเราไม่เรไมู่การะใช่จริงเนี่ยเวลาเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าอจ่าละฉันจะท่าเรารลี่ยนเียมีสติในการี่เย่เรารู้ว่าาเท่าเรื่สติใช่ถ้าเห็นกายกลังขยับใช้ได้ หรือเห็นเวทนาที่มันเปลี่ยนแปลงใช้ได้มันดูอะไรก็ได้นะสติเนี่ยถ้ารู้หลักแล้วนะง่ายรู้ได้ตั้งสี่อย่างอะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมะที่เป็นกระบวนกรนธรรมก็ได้อกิเปลี่ยนบ่อยนะเกิดทว่าในช่วงนั้นมันมีความเที่ยส อ, องช่วโมงอาจ้องตืเลยก็ได้สบายเราก็รู้สึกตัวว่าเสบายวงองัวเราเปลี่ยนอยกิเกิดความหลุดใจเพราะว่าเราหลุดใจเราจมีสติว่าดใจ ขณะที่มีสติเห็นความหมงุดหงิดตอนที่นั่งนานๆได้รู้สึกพอใจถ้าไม่รู้ไม่รู้ทางความพอใจก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สติอะไรก็หลงไปที น, นี้อาจารย์ว่าบางครั้งค่การที่เราเข้าไปธนาคารเนี่ยเขาก็ อ, อยากให้เราเหมือนกับบางบางบา ง, บางที่อยากจะให้เราตั่งนานให้เราฝึกดูเวทนาดูรู้อ๋ อ, อใช่อืทีนี้เ น, นี่ยผมเคยที่แบบว่ า, วาเวลาที่เรากำหนดเนี่ยค่ะ เวลาที่เราหั่วเราอะเริ่มจากที่ถั่วบางทีเนี่ยเราแบบเราหลักตาแต่เราไปมีภาพภาพที่แบบเออว่า่ามันเป็นถ่เอย่ด้านบนของปาแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่าไปคิดด้วยอย่าไปมองเป็นภาพไดใช้ความรู้สึกความรู้สึกจับอยู่ตรงนี้ว่าควรู้สึกนอยู่ตรงหันะก็เราไล่ไล่ไล่ลงมาวิธีที่ถคือเราไม่ได้เหมือนกับว่าเราไม่ได้เราค่อยหลังเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดภาพว่ามีส่ข้านห แต่เราใช้ความรู้สึกของเราว่าอืณตอนนี้เราเคลื่อนตรงนี้และถ้าเราได้องหัวไปแล้วเรต้องไล่แค่ตามความรู้สึกไม่ต้องเป็นมิภาพว่าจะเป็นภั้ตอนแรกๆมันจะเหมือนกับภาพเหมือนข้างนอกอะเรามองค่อยๆเลยแเหมือนสองกระจกแต่จริงๆกานั้นไม่ใช่ต้องให้เป็นความรู้สึกใช่ไหมคะอันนั้นเรียกว่าเจริญสติด้วยการดูเวทนาะดูเวทนาก็ใช่รู้สึกๆเพราะเวทนาแปลว่ารู้สึก เวทนาคือรู้สึกมันแบ่งความรู้สึกเป็น3อย่างรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยนะคนจะมาดูเวทนาจเจริญสติด้วยการดูเวทนาเนี่ยต้องทําสมาธิก่อนในข้อสนั้นจึงตอนตอน้ตนๆจะทําสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธินะ่จะดูเวทนาไม่ออกดูไม่เห็นเป็นเวทนาจริงๆมันจะทนดูไม่ได้จิตที่ไม่มีสมาธิมากพอเนี่ยจะทนดูไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินะไม่ต้องดูเวทนาก็ได้เพราะว่า ท่านไม่ได้บังคับให้ดูเวทนาดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้อย่างงี้นะถ้าดูเวทนาโดยที่ไม่ต้องให้มันเจ็บปวดทรมานมากนะักก็ดูเวทนาได้มีเวทุธเกิดขึ้นอย่างว่านั่งพผาเพียบอยู่แล้วก็เจ็บปวดตอนนี้นะไม่ต้องทนก็ได้แต่ถ้าจะดูเวทนาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนต้องทนดูให้เวทนานั้นแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆ จ, จนถึงสุดๆแล้วเนี่ยนะเวทนามันจะลดเอง ทั้งทั้งที่เราไม่เปลี่ยนอิทิยาบทแต่ถ้าเราเปลี่ยนอิทิยาบทเนี่ยวิถานะก็จะเปลี่ยนไป